สวัสดีขออันมโมทนากับทุกทุกคนนะทั้งพ่อแม่ทั้งลูกแล้วก็ที่นั่งตรงนู้นน่าจะเป็นระดับคุณยายคุณย่าเนาะมาฟังหลวงพ่อเมื่อเช้าพอจะเข้าใจบ้างไหม ผู้ใหญ่เข้าใจไหมเด็กๆเข้าใจไหมเข้าใจเหรอดีมากเลยไม่เข้าใจเลยนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้วิธีที่เราจะมาทําเรื่องที่เราจะมาเรียนกันเนี้ยก็คือเรียนเรื่องเรื่องกายกับเรื่องใจของเราเท่านั้นเองไม่ยาก ไม่ยากเพราะเป็นเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วนะที่เราจะเรียนนะั่นเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วกายเรามีอยู่ไหมตอนนี้เรามีกายไหมมีไหมใครเอากายมาบ้างเรามีกายกันทุกคนนะมีใจไหมคนที่มีคนที่มีแต่กายไม่มีใจมีบ้างไหมนะมีไหมมีไหมถ้ามีแต่กายไม่มีใจเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าศพวันนี้มีศพมาบ้างไห ม, มไม่มีนะอ่ามีเป็นคนทุกคนนะตอนนั้นเราก็เรียนเรื่องของตัวเองตอนนี้แล้ว น, นะเรามีกายแล้วก็มีใจเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราต้องของเราด้วยนะไม่ใช่ไปเรียนเรียนกายคนอื่นไม่ใช่ไปสนใจกายคนอื่นสนใจกายตัวเองสนใจใจของตัวเองตอนนี้กายของเรานั่งอยู่ในท่าอย่างนี้ รู้ตัวเองว่ากาลังนั่งอยู่ในท่าอย่างนี้รู้ง่ายไหมรู้ได้ไหมได้เนะเพราะเราไม่ต้องไปมองใครเราดูดูร่างกายของเราเองเวลาดูเนี่ยนะดูใช้ดูแบบรู้สึกรู้สึกเอาเช่นสมมติอ่ะทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นกามือแล้วก็ควายมือไปข้างหลังคว้างเบ่งอปข้างหลังชูนิ้วสองนิ้วนิ้วชี้กับ น, นิ้วกลาง ไม่ต้องเอามาดูสิชูชูไว้ข้างหลังชูไว้ข้างหลังชูไว้ข้างหลังรู้ได้ไหมเรารู้ได้ไหมว่ามีการชูสองนี้อยู่ข้างหลังรู้ได้ใช่ไหมต้องใช้ตาดูไหมเรารู้สึกเอาใช่ไหมเอาแบมือทั้งห้านิ้วเลยแบมือห้านิ้วรู้สึกได้ไหมว่ามันมือแบมืออยู่อาและทามืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ข้างหลังข้างหลัง แล้วรู้สึกได้ไหมว่ามือกำลังขยำอยู่รู้สึกเอาอย่างนี้แหละวเวลากายนั่งอยู่เอาเอามือมาปกติได้ละเวลากายเป็นปกติอย่างเงี้ยก็ใช้รู้สึกรู้สึกเอาไม่ต้องใช้ตามาดูมาก้มดูว่าตอนนี้ชั้นกำลังอยู่ในท่าไหนไม่ต้องมาคอยเขาเรียกภาษาอะไรเขาเรียกแหกตานะไม่ต้องไม่ต้องคอยเบิกตาดูแค่รู้สึกรู้สึกเอา ตอนนี้เรามีใจใจตอนนี้อยู่อยู่กับกายไหมรู้สึกไหมตอนนี้ใจอยู่ที่ไหนบางคนมองเฟซอะไรเฟซบล็ออย่างงี้ใจอยู่ที่เฟซบล o อ k เข้าใจไหมบา <c oughs> งคนแค่ขี้มูกอยู่รู้ไหม <c oughs> รู้ไหมว่ากายกำลังมีการแค่ขี้มูกอยู่รู้ไหมรู้ไหม <c oughs> <c oughs> งง เวลาบางคนงงเกาเกาเก า, เกาอะไรนะเกาจมูกมัง่งเกาคอมัง่งอืบางคนก็เอียงไปเอียงมาเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงเรารู้อย่างนั้นแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแสดงออกอยังไงก็ได้เวลาเราอยู่ในที่ทชุมชนเนี่ยนะเราอยู่ในห้องประชุมเนี่ยเราก็มีมีมาตรฐานของที่ประชุมมาตรฐานที่ประชุมคือให้ความเคารพซึ่งกันและกันเอ แล้วก็ควรมีกายที่สงบกายที่ไม่ไม่เคลื่อนไหวมากเคลื่อนไหวพอสมควรกายไม่เคลื่อนไหวเลยได้ไหมฮะได้ไหม <S <S ไ, ไม่ได้ไดอย่างน้อยๆ น, นะมันต้องมีหายใจอ่ะลองนั่งนิ่งที่สุดเลยทุกคนนั่งนิ่งที่สุดเลยเอาหน้าปกติด้วยไม่ต้องหน้าเหลอหลาเออหน้าปกติอ่ะแล้วรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังนั่งนิ่งนิ่งเนี่ย ลองดูซิมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างรู้สึกไหมมีการเคลื่อนไหวบางคนท้องพองท้องยุบบางคนจมูกบานจมูกแฟจกบจมูกบานจมูกแฟบรู้สึกไหมบางคนทำปากาปากินอาหากกกินอาหารเ <c oughs> หารอ <c oughs> เรารู้สึกตามจริงเรารู้สึกตามจริงกายเป็นยังไงรู้สึกไปเลยนะหรือใจเป็นยังไงรู้สึกไปเลยอย่างยังเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อถามเราบอกว่าตอนนี้ใครมีความสุขบ้างเอาตอนนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือใครมีความสุขบ้างไม่ต้องแกล้งโกหกใครมีความทุกข์บ้างตอนนี้ออใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์มีไหมเนี ใครไม่มีความรู้สึกเลยเนี่ยหลวงพ่อก็ถามตัวนี้นะมีไหมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีนะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมีอยู่3ามแบบความรู้สึกนะมีสุขแล้วก็มีทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆฉะนั้นทุกๆขณะเลยเนะี่ยจะมีความรู้สึกอยู่3ามแบบที่ไม่รู้สึกเลยไม่มีที่ไม่รู้สึกเลยไม่ ม, ม, ม, มีมีความรู้สึกทางกายกับทางใจทางกายที่เป็นทุกข์ ก็มีตอนนี้ใครมีกายที่เป็นทุกข์บ้างมีไหมยกมือซิใครกายเป็นทุกข์บ้างใครมีกายเป็นสุขบ้างตอนนี้ใครมีกายเฉยๆไม่ไม่รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เท่าไหร่นะรู้ตามจริงรู้ตามจริงนะยังไงก็ได้ใครใจเป็นทุกข์บ้างตอนนี้มีไหมเป็นทุกข์เพราะว่าลูกมันอยู่ไม่นิ่งเลยหรือไง <laughs> อยังทุกข์ด้วยเลยนั่นนะ่ะ มีใจเป็นทุกข์แต่ทําไมปากยิ้มอ่ะใครมีใจเป็นสุขบ้างตอนนี้ใครไม่สุขไม่ทุกข์ใจใจเฉยเฉยใจก็ ค, คล้ายคลกับกายนะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วก็มีเฉยเฉยความรู้สึกไนมะ่มีอยู่ตอลอดเวลาถ้าถามถึงความรู้สึกนะย้อนมาดูเลยย้อนมาดูกายก็ได้ย้อนมาดูใจก็ได้ดูตามจริงๆที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะ ไม่มีใครมาคอยให้คะแนนให้เรามีแต่เราให้คะแนนตัวเองว่าเรารู้ยิงหรือเปล่าเข้าใจไหมรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อเช้านี้ฉันเป็นสุขแล้วเพิ่งมารู้ตอนนี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้ตอนนี้เลยจึงจะได้คะแนนเราเหมือนเล่นเกมนะเหมือนเล่นเกมเวลาเล่นเกมเนี่ยเคยเล่นเกมไหมเวลามีตัวอะไรมาเราก็ต้องยิงให้ทันใช่ไหมต้องยิงให้ทันตอนนั้นเลย มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมาตอนเนี้ในใจเราต้องต้องรู้ให้ทันตอนนั้นเลยแต่เราไม่ใช่การยิงเราใช้การรู้เอานะมันเคยเล่นเกมอะไรเลยหรือจริงหรือเป่าแม่ไม่ให้เล่นสักเกมนึงเลยไหนไนอยู่อยู่อยู่โรงเรียนเคยเล่นเกมอะไรไหมเกมที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ไมันเคยเล่นเกมรู้จักเกมอะไรบ้าง โอ้อันนี้เรานี่เรามีเกมใหม่ถ้าถ้าไม่เคยเล่นเกมเลยนะเราเรามีเกมเรามีเกมอยู่ตลอด3วันอยู่ที่นี่นะเกมรู้ทันปัจจุบันถ้ารู้ทันได้หนึ่งคะแนนถ้ารู้ไม่ทันตอนนั้นเสียคะแนนมีมีเฉพาะว่ารู้ทันหรือรู้ไม่ทันเท่านั้นเองถ้ารู้ทันปัจจุบันนะ ถ้ารู้ทันจริงที่ได้คะแนนนะคือรู้กายเดี๋ยวนี้หรือรู้ใจที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้สองอย่างเท่านั้นจึงจะได้คะแนนรู้กายเดี๋ยวนี้รู้ได้ไหมได้ไหมถ้าไม่รู้กายนะก็รู้ใจถ้ารู้ใจก็คือรู้ทันว่ามีความรู้สึกอย่างไรอย่างที่ถามเมื่อกี้นี้รู้สึกทางกายก็ได้ทางกายก็มีรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยรู้สึกทางใจก็ได้ ใจก็มีสุขทุกข์หรือเฉยเฉยหรือถ้าไม่รู้สุขทุกข์เฉยเฉยก็ไปรู้ความดีความชั่วในใจความดีในใจก็เช่นมีความเมตตามีความขยันขยันบ่อยไหมขยันบ่อยไหมไม่ค่อยขยันเท่าไหรนะ่นรู้สึกไม่ค่อยมีรกระแส ต, ตอบรับเท่าไหร <laughs> ข่ขี้เกียจขี้เกียจนี่เป็นความรู้สึกเ ป, เป็นเป็นความดีหรือความชั่ว ขี้เกียจขี้เกียจดีไหมเป็นความไม่ดีใช่ไหมเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจที่ไม่ดีแต่พอรู้ทันความขี้เกียจตอนรู้ทันเป็นความดีเข้าใจไหมตอนรู้ทันเนยได้แปมหนึ่งในเกมนี้ดีไหมตอนขี้เกียจเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเคยขี้เกียจไหมตอนไหนเคยขี้เกียจตอนไหนตื่นนอนตื่นนอนรู้สึกไหมตอนตื่นนอนแล้วขี้เกียจตอนขี้เกียจแล้วไม่รู้ตัวนะนะเสียสองแปม เข้าใจป่ะมีมีสภาวะอันหนึ่งแล้วไม่รู้ทันเนี่ยเสียแต้มหนึ่งแล้วสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่ดีด้วยเสียอีกแต้มหนึ่งสองแต้มแต่ถ้ามีสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันนะได้สิบแตม้มดีไหมแต่ถ้าเรามีสภาวะที่ดีแล้วไม่รู้ทันนะไม่ได้แต้มคือสภาวะนั้นดีเหมือนจะดีแต่ไม่รู้ทันไม่มีแตม้ม แต่ถ้าสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันนะเสียสองแต้ม <laughs> โอเคไหมเกณฑนี้ยากไหมไม่ยากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอยู่ในใจของเราเองเราไม่ต้องไปดูว่าคนนู้นก็คิดยังไงคนนี้ก็คิดยังไงรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความดีหรือความชั่วยอยู่ในใจความดีความชัว่วเช่นโกรธโกรธดีไหมโกรธไม่ดีแต่พอโกรธแล้วไม่รู้ทันนะเสียสองแต้ม พอโกรธแล้วรู้ทันได้สิแต้มคุ้มไหมคุ้มไหมถ้ารู้ทันบ่อยๆเนี่ยได้แต้มเย อ, อะนะใช่ไหมแต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเสียสองแต้มไปเรื่อยๆตัวครั้งที่โกรธโกรธเนี่ยมันโกรธไม่ใช่โกรธแบบยาวๆด้วยนะมันโกรธทีละขณะทีละขณะทีละขณะจิตของเราเนี่ยนะมันมีการเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันนะดับไปเลยนะ ขณะนั้นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมีความโกรธและดับไปโดน ไ, ไม่รู้ทันนะขณะนั้นเสียสองแต้มแต่ถ้าโกรธขึ้นมาแลดับไปแล้วเรารู้ทันทันทีเลยเมื่อกี้นี้มีความโกรธเกิดขึ้นขณะที่รู้ทันเนี่ยได้สิบแต้มเอาแม็กซเล่นเกมนี้หมสามวันนี้แล้วลองไปส่งคะแนนกับอาจารย์พฒนาก็ได้ว่าวันนี้ดูได้กี่แต้มวันนี้ดูได้กี่แต้ม รู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้รู้กายก็รู้กายตัวเองรู้ใจก็รู้ใจตัวเองกายเคลื่อนไหวอยู่แค่ขี้ฟันแค่ขี้มูกแปรงฟันล้างหน้าได้หมดเลยถูขี้ใครถูเองป่าถูเองใช่ไหมฟอกสบู่ฟอกเองไหมเออมันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยรู้ทันอากาศร้อนๆ้าอาบน้าเยน็ยนๆรู้สึกดีใจไหมดีใจดีใจเกิดขึ้นในใจของเราใช่ไหม รู้ทันความดีใจได้สิบแต้มดีไหมอากาศร้อนๆตากแดดชอบไหมไม่ชอบรู้ทันความไม่ชอบใจได้สิบแต้มถ้าไม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็บนบนบนบนนะเสียสองแต้มสองแต้มสองแต้มสองแต้มบ่อยๆเป็นยี่สิบแต้มเป็นเข้าใจไหมเราสะสมแต้มที่ไม่ดีมาบ่อยๆเนี่ยนะ เราก็สมมติสะสมแต้มโกรธมาบ่อยๆเนี่ยเพราะมีอะไรสะกิดนิดนึงเราก็โกรธง่ายสะสมแต้ม อ, อ, อะไรอยากโลภโลภมากอยากได้นะพออยากได้บ่อยๆนะเราไม่รู้ทันนะมีอะไรนิดหน่อยเราก็อยากได้อยากได้ง่ายกลายเป็นคนขี้งกสะสมขี้งกไว้เยอะๆเจออะไรก็อยากได้เจออะไรก็อยากได้นะมันก็อยากได้ง่าย คนสะสมคะแนนโกรธไว้เยอะๆนะทีละสองแต้ม2แต้มสองแต้มเนี่ยนะพอสะสมะมากๆนะกลายเป็น20กลายเป็น200กลายเป็น2000กลายเป็น2องหมื่นสองล้านพออะไรสกิดนิดนึงแม่เรียกนิดเดียวกำลังดูทีวีอยู่เนะี่ยโกรธโกรธทันทีเลยทั้งทั้งแม่จะเรียกไปกินขนมเนะี่ยเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันใจตัวเองโกรธไปละอย่างการนคนขี้โกรธ ถ, ถ้าขี้บนขี้บนเจออะไรนิดหน่อยก็บ่นง่าย เพราะว่าเราสะสมแต้มบ่นไปเยอะคนขี้กลัวก็สะสมแต้มโกรธไปเยอะๆโดยที่ไม่รู้ตัวตอนนี้เรามาเข้าค่ายนลยนะเพื่อจะมาทําให้ครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นจะอบอุ่นได้เมื่อคนในครอบครัวเราเนี่ยสะสมแต้มสติธีลสิบคะแนนสิบคะแนนบ่อยๆรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นได้สิบแต้มรู้ทันความอยากได้ที่เกิดขึ้นได้สิบแต้มรู้ทันกายกายกําลังนอนถ้านอนท่านี้เห็นว่าไม่ดีลุกขึ้นมา ร, รู้ทันรู้ทันร่างกายของเราท่านี้ไม่น่าไม่น่าดูลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไดเ้เวลาคนก็ทักแล้วรู้สึกอายรู้ทันความอายได้สิบแต้มเอาไหมเอาไหมเล่นเกม น, นี้เอาไหมดีไหมน้อง ie, เนตตี้เล่นไหมเล่นไหมแค่นี้เอง ที่เรามาเราจะมาเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้กายใจแค่นี้เองพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะได้แต้มบ่อยๆเข้าเนี่ยนะเราจะมีปัญญามากขึ้นอย่างน้อยๆขั้นแรกนะเราจะเป็นคนที่น่าคบมากขึ้นเพราะคนที่ไม่น่าคบเนี่ยเวลาก็โกรธแล้วเขาไม่รู้ตัวพอเขาไม่รู้ตัวนะแล้วเขาก็จะไปพูดไม่ดีพูดไม่ดีด้วยแล้วก็ทําไม่ดีมันจากการเกิดจากการที่คิดไม่ดีแล้วไม่รู้ตัว คิดไม่ดีไม่รู้ตัวเสียแต้มด้วยพูดไปอีกทีเสียอีกแต้มหนึ่งทําไม่ดีอีกเสียอีกแต้มหนึ่งเข้าใจไหมมีกายที่ท่าทางไม่เข้าท่าตอนเนี้ยน่ารังเกียจมากเลยแล้วไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะเสียแตม้ม <laughs> มีกายที่ทําไม่ดีแล้วรู้ตัวว่าไม่ดีเปลี่ยนท่าใหม่ให้ได้อยู่ในท่าที่ดีๆอย่างเงี้ยได้แตม้ม งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่สังคมไหนก็น่ารักใครๆไปที่ไหนก็ชมเชยว่าโอ้คนนี้ฝึกมาดีฝึกจากอะไรฝึกจากการที่เรารู้รู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้อะไรรู้กายที่ไม่ดีกับรู้ใจที่ไม่ดีพอรู้ใจที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีรู้กายที่ไม่ดีกันคนเรียบร้อยถ้ากายไม่ดีแล้วไม่รู้ตัวนะก็เละอยู่นั่นเอง ใจไม่ดีแล้วไม่รู้ตัวนะก็เลวอย่างนั้นเองไม่ได้ฝึกเลยแล้วคนมาฝึกเราแล้วเราไม่ชอบใจยิ่งแย่ใหญ่เลยเข้าใจไหมคนมาเตือนเราแล้วเนี่ยนะแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะพลิกตัวแล้ะเราจะมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีแล้ะแต่ถ้าคนมาเตือนเราแล้ ว, ลวเรากลับไม่ยอมรับคําเตือนนั้นนะโอ้โหโอกาสนี้พลาดไปละเราก็จะกลายเป็นคนที่ ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะสะสม แ, แต้มไม่ดีอยู่เรื่อยๆตลอดมีความโกรธแล้วไม่รู้ตัวโกรธบ่อยๆขึ้นแต้มแต้มแห่งความโกรธแก่แต้มที่เร็วๆนั่นก็มากขึ้นมีกายที่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ตัวกายก็ไม่ได้ฝึกเลยกายเป็นคนไม่เรียบร้อยไปเรื่อยๆเคยชินที่จะไม่เรียบร้อยไปเรื่อยๆแล้วก็เคยชินที่จะโกรธไปเรื่อยๆเคยชินเคยชินที่จะโลภไปเรื่อยๆเคยชินที่จะบ่นไปเรื่อยๆอย่างงี้นะกายเป็นคนบ่นง่าย แล้วก็ไม่น่าครบใครเป็นคนโกรธง่ายเขาไม่น่าครบการคนไม่เรียบร้อยไม่น่าครบสังคมจะไม่อบอุ่นครอบครัวจะไม่อบอุ่นไปที่ไหนก็ไม่อบอุ่นเลยใครๆก็รังเกียจแล้วเราก็ไปโทษคนอือนว่าเขาไม่ครบเราจริงๆแล้วเราทำตัวไม่น่าครบนะอันนี้เราก็มาเข้าค่ายเรียนรู้กายใจคือเรียนรู้กายและใจของตัวเองง่ายไม่ยากง่ายไหมง่าย ถ้าบอกตัวเองว่ายากนะแสดงว่าเรากําลังทําผิดนะเรากําลังทําผิดถ้าเรารู้สึกว่าง่ายแสดงว่าเริ่มมีทางแล้วเริ่มมีทางแล้วเราที่เราจะพัฒนาตัวเองแต่เราบอกว่ายากแสดงว่าเราหันหลังให้การพัฒนาตัวเอง สมมติว่าเรียนวิชาเลขแล้วบอกเลขยากแสดงว่าต่อไปนี้นะเราจะเรียนเลขยากแล้วก็เราจะเข้าใจวิชาเลขในยากเพราะเราตั้งเป้าไว้แล้วว่ามันยากแล้วก็ไม่อยากจะทําแต่บอกง่ายแล้วก็ฝึกสิ่งนี้ต้องฝึกและเห็นว่าง่ายแล้วก็เรียนรู้ <pe an> เรียนรู้สิ่งที่ผิดแล้วจะถูกเองเรียนรู้ว่าเราโการธแล้วไล่แต้มการเป็นคนดีเองเรียนรู้ว่ามันไม่ดีอย่างนี้แล้วพอไม่ทําการเป็นคนดีเอง เรียนรู้ท่าทางยงนี้ไม่ดีแล้วเปลี่ยนท่าใหม่กลายเป็นท่าที่ดีเองเรียนรู้ที่ผิดไปเรื่อยๆเปลี่ยนท่าใหม่แล้วก็ยังไม่ดีอีกแสดงว่าท่านี้ไม่เอาเราจะเรียนรู้ได้ว่าท่าที่ผิดอย่างนี้จะไม่ทําอีกและเรียนรู้ได้ว่าเมื่อกี้นี่เราโกรธเพราะอะไรเช่นเราโกรธเพราะว่าเราคิดคิดเป็นศัตรูกับสิ่งนั้นคิดเป็นศัตรูกับแม่เคยไหม แม่เนี่ยเป็นตัวขัดขวางความสุขของเราพ่อเยเป็นตัวขัดขวางความสุขของเราคิดเป็นศัตรูพอคิดอย่างนี้นะความโกรธไม่ได้อยู่ยูจะเกิดความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่จะเกิดเกิดตามหลังความคิดลองสังเกตยูดีๆนะความโกรธเนี่ยตามหลังความคิดใหม่อีกทีหนึ่งถ้าเราคิดไม่ดีเมื่อไหร่โกรธก็จะเกิดขึ้นมาที่เราคิดอยากจะได้เมื่อไหร่ความโลภก็จะเกิดขึ้นมาบางทีคิดเมอไป กายกําลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ใจกำลังเหมื่อยลอยไปก็ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าใจลอยความเผลอเกิดขึ้นไม่รู้ตัวรู้ทันความเผลอรู้ทันความโลภรู้ทันความโกรธอย่างนี้บ่อยๆได้แต้มบ่อยๆสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือรู้สิ่งที่ไม่ดีที่ที่เกิดขึ้นในใจความโกรธไม่ดีใช่ไหมรู้ทันความโกรธได้แต้มเยอะความโลภก็ไม่ดีรู้ทันความโลภก็ได้แต้มเยอะความใจลอยก็ไม่ดีรู้ทันความใจลอย ได้แต้มเยอะตกลงเรามาเล่นเกมนี้กันไหมแล้วก็ไปส่งคะแนนกับอาจารย์กุนานะพอพอจะทำได้ไหมพอจะทำได้ไหมได้นะเออคิดว่าไม่ยากมีเวลา3มวันเนี่ยเดี๋ยววันสุดท้ายมาส่งคะแนนกันว่า เรามาเข้าค่ายเนี่ยแล้วเราได้ได้แต้มรู้กายมากไหมรู้ใจมากไหมใครรู้กายได้ง่ายใครรู้ใจได้ง่ายและใครรู้กายใครรู้ใจได้ง่ายเนี่ยรู้ทันสิ่งไหนที่เกิดขึ้นในใจได้บ้างใครรู้ทันความโกรธมากใครรู้ทันความโลภมากใครรู้ทันใจลอยมากใครรู้ทันความฟุ้งซ่านมากรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านคือคิดคิดคิดคิดคิดคิดสเปะสปะคิดนับเรื่องไม่ท้วนใจลอยฟุ้งซ่านโกรธโลภ หดหูขี้เกียจรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องในใจทั้งนั้นเลยรู้ทันอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในใจส่วนใหญ่แล้วจะฝึกจากรู้สิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ดีไม่ยังไม่ค่อยเกิดขยันเนี่ยยังไม่ค่อยขยันใช่ไหมก็จะรอดูแต่ขยันก็เลยไม่ได้สติสักที <laughs> เอาไหมพอได้พื้นฐานไหมพอได้พื้นฐานนะ เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยว่าโกรธเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับโลภเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับ <_ S 1> ขี้เกียจเกิดขึ้นมารู้ทันมันก็ดับเข้าใจไหมกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับรู้ทันความเกิดดับเกิดดับของสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรากับเราคือกับกายและกับใจนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปไปมา อาจจะเห็นว่าเอ๊ะกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรามันเพียงสภาวะอันหนึ่งที่มันเกิดดับเกิดดับโกรธก็เป็นสภาวะอันหนึ่งตอนรู้ความโกรธนะความโกรธก็เป็นสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งที่รู้ความโกรธก็เป็นสิ่งหนึ่งไม่ใช่เราทีแรกเนื่ว่าเราโกรธนะจริงๆแล้วความโกรธเป็นอย่างหนึ่งตัวรู้เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้นะก็เป็นกลายเป็นว่าเราโกรธหรือว่ากลายเป็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าเห็นอย่างนี้นะแสดงว่าไม่มีสติเลย แต่พอเห็นสภาวะคือความโกรธเป็นอย่างหนึง่งตัวรู้ความโกรธเป็นอย่างห น, นึ่งนี่เรียกว่ามีสติแล้วมีสติแบบมีคุณภาพด้วยโอเคไหมเปิดแค่นี้พอไหม